ความรู้ความเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางฟิสิกส์ทางการแพทย์ทางเคมีทางชีววิทยาจะเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หรืออะไรก็าตแล้วแต่ความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านั้นถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับความรู้ความเรียนของสมาสัมพุทธะคือความรู้ความเรียนของสมาสัมปุทธเนี่ยมีทิศทางที่แน่นอนคือเป็นไปเพื่อปัญญา เป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งเป็นใบเพื่อความรู้พร้อมและเป็นใบเพื่อนิพานท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไอ้ความรู้ความเรียนอย่าง servers, อื่นก็เป็นไปเพื่อปัญญานะอย่างเช่นวิชาทางการแพร BEN ทย์เป็นต้นหรือว่าวิชาทางการขายวิชาทางการตลาดแต่วิชาทางเกี่ยวกับ ว, วิศวกรรมอะไรต่างๆความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านั้นแน่นใช้อยู่เป็นปัญญาอย่างที่เราพูดพูดกันทั่วไปแต่ว่ายังไม่ใช่อริยะปัญญาอาริยะปัญญาคือปัญญาอันประเสริฐ นะั่นคือปัญญาที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่รู้ธรรมดาแต่รู้ยิ่งความรู้ยิ่งนะท่านผู้ฟังความรู้ยิ่งเนี่ยไม่ใช่ความรู้ธรรมดาแต่บางคนอาจจะคิดว่าความรู้ยิ่งคือร yeah. ู้ที่เหนือขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่คําว่าความรู้อันยิ่งเนี่ยคือความรู้ที่ลึกซึ้งลงไปนั่นลึกเข้าไปในใจนุนรู้ที่ใจบางคนบางบางทีเราเรียนสมการทางคณิตศาสตร์อย่างนี้กูมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในสมการทางคณิตศาสตร์นั่นคือ เข้าใจความรู้ตรงนั้นคือแค่สมองแค่ที่ระดับสมองแต่คําสอนของพระเจ้าน Mur ียสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้อันยิ่งคือความรู้ที่เข้าไปในใจนะควาว่าความรู้อันยิ่งเนี่ยคือมันเข้าไปในใจนคือมันรู้ที่ใจไม่ใช่แค่รู้ที่สมองเพราะฉะนั้นบางคนเรียนความรู้เไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางคําสอนของพระเจ้าก็ตามเถอแต่ถ้ายังไม่เกิดความรู้อันยิ่งคือที่มันแทงทะลุเข้าไปในใจเนี่ย ให้ตั้งให้ใจเนี่ยมันตั้งไว้แล้วด้วยดีเนี่ยเกิดความรู้อันยิ่งได้เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าแทงตลอดเนี่ยซึ่งความรู้อันนั้นอย่างดีซึ่งความจำได้หรือไอความรู้ที่มันยังค้างอยู่ที่สมองเนี่ยมันอาจจะพลิกผันกลายเป็นงูพิษได้แตนะ่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกไม่ให้มันแทงตลอดไว้ด้วยดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าทําความเข้าใจไม่แจ่มแจ้งแตนะ่เข้าใจแค่ชาบช่วยนะหรือว่าแม้แต่ขนาดว่าเอาความจําได้ที่คุณ จำเอาไว้ได้ในสมองนวะไยใช้ในการทําทิ่มแทงคนอื่นใช้ในการหักล้างคนอื่นใช้ในการที่ทําให้เกิดความเสียหายต่างๆก็จะไม่ดีในะแต่คําสอนของพุทธเจ้านั้นถ้าเราใช้ให้ถูกทางนะมองให้ถูกมุมปฏิบัติให้ถูกวิธีแลนะมันจะเป็นใบเพื่อความรู้อันยิ่งแตนะ่ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแตนะ่ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานก็คือใจของเรานั้นจะมีความปล่อยวางมีความเย็นมีความสงบ แะเข้าใจลึกซึ้งในใจเนี่ยเหมืนอนในความเข้าใจที่ลึกซึ้งอยู่ในใจไม่สามารถที่จะอธิบายออกบอกมาได้ว่าเป็นบทเพียนชนะอย่างไรหนะลายๆคนก็มีประสบการณ์อย่างนี้นะระสูธทําสมาธินี่ตั้งจิตเอาไว้ยอย่างดีในะเกิดความรู้อันยิ่งทะลุเข้าไปในใจนะีแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นแล้วนะีแม่มันบอกไม่ถูกนะี่มันอธิบายไม่ได้บทเพียนชนะที่จะกําหนดออกมาบอกมันเหมือนกับว่ามไม่มีคําอธิบายใดๆ แต่ก็เป็นลักษณะนี้แหละคือความรู้อันยิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้แต่เพราะนั้นความรู้ความเรียนวิชาอะไรต่างๆนี่ในทางคําสอนของพุทธเจ้านี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดคือเป็นไปเพื่อความนายความคลกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้ร้อมและนิพพานนั่นเองและในความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านี้เน่ยมันก็มีหลายเรื่องหลายราวเน่ยตั้งแต่เรื่องของศีล ศีลก็จะมีหลายระบบหลายแบบในเรื่องของจิตในะจิตก็มีหลายเรื่องหลายราวเรื่องของปัญญาก็มีรายละเอียดเยอนะแยะในแบ่งพูดง่ายๆเป็น3ามหมวดคือศีลจิตและก็ปัญญาแตนะ่บางนิยามปริชากขาพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นตะ่ซึ่งแต่ละอันเราก็ทําความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆในตามความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นก็จะเกิดความรู้อันยิ่งนะคือรู้ที่ใจนะเข้าใจในใจนะไม่ใช่ที่สมองอย่างเดียวอย่างที่ว่า เพราะนั้นธรรมาเวลาที่เรารู้แล้วแล้วเราเกิดความแทงตลอดเนะี่ยรู้อันยิ่งแล้วเราจะเกิดการปฏิบัตนะิการปฏิบัติในที่นี้ก็คือหมายถึงการกระทําด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแตนะ่คือมันเข้าไปในใจแล้วเนี่ยตั้งอยู่ในจิตอย่างดีแล้วแทงตลอดเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเกิดนะ ค, ความรู้อันยิ่งแล้วเนะี่ยมันก็จะส่งผลออกมาทางกายด้วยนะทางวาจาด้วยเพราะว่ากายและวาจาเนี่ยถูกคุมด้วยจิต แต่ถ้าจิตเราเข้าใจแล้วสบายละกายวาจาเราก็ปฏิบัติตามนั้นซึ่งคนที่มีเมตตานี่ยคุณก็รู้ละเมตตาคืออะไรกรุณาด้วยมุติตาอุเบกขาด้วยท่องได้จําได้แต่พระเจ้าบอกว่าให้ทําจิตเอาไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังทิศ ท, ที่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างแต่ท้องได้จําได้อันนี้มันอยู่ที่หัวหเฉยแต่ถ้าเราเกิดความรู้อันยิ่งในเรื่องของเมตตาพว ะ, ะเกิดความรู้เข้าไปในใจละใจเราทรงไว้ด้วยเมตตาอิหมอบอยู่ด้วยเมตตา มีเมตตาอยู่ในใจเนี่ยไอ้เมตตาที่ผ่านไอ้ความรู้ของเรื่องเมตตาคําว่าเมตตาผ่านทะลุเข้ามาในหูนะ่ยทรงไว้ในสมองจําได้นะ่ยใรกล้ครวนท่องจําได้อัถะก็เข้าใจดีนะมันเกิดเข้าไปในใจพวกเนะ่ยเดินทางจากสมองมาถึงหัวใจนะ่ยใจเราเข้าใจเรื่องเมตตาแล้วเวลาปากมันพูดออกมาเนี่ยมันก็มีความเมตตาอยู่ในจำนวนคําพูดอยู่ในน้ําเสียงที่พูดอยู่ในเรื่องราวที่พูด มีการกระทาใดหยิบยื่นสิ่งใดหรือทําสิ่งใดให้ก็เป็นไปด้วยความเมตตาและมีเมตตาว จ, จีกรรมมีเมตตากายกรรมก็เป็นผลจากเมตตามนโนกรรมเมตตามโนกรรมก็เป็นผลจากการที่เรามีความรู้อันยิ่งไอเจ้าความรู้อันยิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากการที่เราเข้าใจอัตตาของมันคุณจะเข้าใจอัตตาได้คุณก็ต้องมีการทรงจําธรรมะได้ไหนจะทรงจําธรรมะได้เอาคุณก็ต้องฟังธรรมะ จะได้ฟังธรรมะคุณก็ต้องเข้าไปหาสมณะแต่จะเข้าไปหาสมณะคุณก็ต้องมีศรัทธาอย่างงี้ยมันก็ได้มาเป็นขั้นเป็นตอนแต่จะทําให้เราทรงไว้ได้ดังนั้นอย่างเรื่องของเมตตายอย่างที่ว่าว่าเราทรงไว้ในใจการกระทําการพูดของเราก็จะเป็นไปด้วยลักษณะของความเมตตานี่คือลักษณะทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหมวดธรรมอันหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้อันยิ่งนี่เหมือนกันในการปฏิบัติพพุทธเจ้าได้เคยกล่าวถึงสาวก อยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นสาวกที่มีบริวารมากนะเช่นอุรุเวลากัสปะนะซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นชลินนะหลังจากที่แสดงธรรมให้แก่ให้แก่พระอาหารหันต์หรูปแรกนะที่ป่าอีสิ ป, ปตนาบรุษคาทายวันแล้วก็ได้มาแสดงธรรมต่อที่ตำบลอุรุเวลานะซึ่งอยู่ห่างมาพอสมควรจากที่ท่ตรัสรนะุเพื่อที่จะมาแสดงธรรมให้ชลินามพี่น้อง ก็คืออุรุเวลากสปะนาทีกสปะนะพวกนี้เป็นต้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยพวกชลินเนี่ยคือพวกฤาษีแล้วก็เพิรนว่ากลุ่มนี้มีบริวารมากมีบริวารรวมกันทั้งหมด1000คนด้วยกันพอไปหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยทำความเข้าใจในทางคงําสอนพระุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรอะไรต่างต่างแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้เคยกล่าวถึงบุคคลพวกชลินเนี่ยที่ว่ามีบริวารมากเนี่ยโดยควรจะทำสอย่างด้วยกัน แต่คือเขาไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวแต่เขาเอามาส่งไว้ในใจได้ทรงไว้ในใจรู้ไม่ใช่รู้ในสมองอย่างเดียวท่องจําได้อย่างเดียวแต่นะอามาส่งไว้ในใจมีความเข้าใจมีความแจมแจ้งมีความรู้อันยิ่งแต่แล้วก็พูดในลักษณะนั้นปฏิบัติในลักษณะนั้นแต่นะคุณธรรมอันแรกที่ทําให้เป็นผู้ที่มีบริบาลมากนะก็คือสงเคราะห์บริวารด้วยเรื่องของสังฆวัตถุ4นั่นเองนะคือการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสี่อย่างอันแรกก็คือเรื่องของ การให้นื้รู้ว่าผู้นี้เนื้อวรแกสิ่งนี้นื้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการให้แบบนี้นื้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของวาจาที่อ่อนหวานนื้ปิยวาจานื้รู้ว่าคนนี้เนื้อวรสงเคราะห์ด้วยการพูดจาแบบนี้เขาก็พูดจาไปแบบนั้นนื้ที่อ่อนหวานเป็นวาจาสุภาพสิทธิอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3มก็คือการประพฤติประโยชน์นื้รู้ว่า สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคล น, นี้แล้วก็ประพฤติประโยชน์ให้เขาทําให้เก่านี่คือข้อที่3แต่ข้อที่4ก็คือวางตัวเสมอกันแต่วางตัวเสมอกันนี้ก็หมายถึงรู้จากหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําตัวให้สมกับหน้าที่นั้นนั้รู้ว่าจะส่งครอบบุคคล น, นี้ด้วยเรื่องนี้แล้วก็นี่คือคุณธรรมข้อที่4เรียกว่าสังฆวัตถุสสังฆวัตถุสี่เนี่ยพระเจ้ายกย่องเรื่องของอดีตชลิน3าพี่น้องแล้วก็พูดถึงรู้เวลากระสปะเนี่ย สมัยหลังก็มาบวชเป็นภิกษุแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันเนี่ยว่ามีคุณธรรมสี่อย่างนี้นอกจากอุรุเวลาเกษต ร, รปะนิที่มีคุณธรรมเรื่องของสังขวัตถุสี่ก็ยังเคยยกย่องหัตถกะอุบาสกเนินที่หัตกะอุบาสกจากเมืองอาราวีเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบริวารมากนะมาเฝ้าพระเจาเนี่เป็นส0่ร0อยห้าร้อยคนพระเจ้าถามว่าเอ๊ะทำไมมีบริวารเยอะมีเพื่อนเยอะหนะก็ด้วยคุณธรรม4อย่างนี้ เรื่องของทานเรื่องของปิยวาจาการพูดจาอ่อนหวานเรื่องของการประพฤติประโยชน์แล้วก็การวางตนเสมอกันในรายละเอียดของ4อย่างนี้นอกจากที่ว่าบุคคลที่จะมีบริวารมากกระทําแล้วแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกระทําเหมือนกันแตนะตัวพระองค์เองตั้งแต่สมัยเป็นโพธิสัตวนะ์ไม่ใช่เฉพาะตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติเรื่องของสังขารวัตถุสเหมือนกันแนะได้เคยเล่าไว้ตอนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะ มาบุตรามยี่สประการว่าตัวพระองค์เองเนี่ยสมัยเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้สงเคราะห์ผู้อื่นนะด้วยสังขารวัตถุสนี้เป็นอันมากนะทำมากมากๆามากมานะจนกระทั่งตัวเองไปเกิดบนสวรรค์นะมีวันณนะงามมีรมัศมีมีอธิบดีมีเรื่องความสุขสิอย่างของสวรรค์ที่เขาของเทวดาที่เขาจะมีกันเนี่ยมากกว่าเทวดาอื่นๆละ่ะนะพอหลังจากการที่ออกจากหมดอายุ บ, บนสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ทําให้ได้มหาปุริชาลักษณะก็คือจะมีมือและเท้าอ่อนนุ่มและมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่ายนั่นคือคุณธรรมที่เรียกว่าสังขาวัตถุสี่เนี่ยจะทําให้เกิดมหาบุรุษลักษณะของมหาบุรุษสองอย่างในสามสิสองอย่างได้นั่นคือความที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มความที่มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่ายด้วยเหมือนกันแต่พอเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการที่ ประคฤปฏิบัติเรื่องของสังขาวัตถุสเป็นอย่างมากแล้วก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สงครับผู้อื่นด้วยสังขวะวัตถุสเหมือนกันแต่เหมือนอย่างที่เคยเคยทํามาซึ่งสาวกในสมัยพุทธกาลหลายๆท่านที่มีบริบาลมากแล้ก็จะมีคุณธรรม4ี่อย่างนี้หรือแม้ต่สมัยปัจจุบันถ้าท่านฟังลองสังเกตดูคนที่มีเพื่อนเยอะคนที่มีบริวาลมาก เราจะสังเกตได้ว่าในหมู่บริษัทนั้นในกลุ่มคนนั้นเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการมีการสงเคราะห์กันด้วยสังกัดวัตถุสนี้อยู่แน่นอนไม่ว่าเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์แบ่งปันการให้ทานทานนี้ไม่ใช่หมายถึงทรัพย์อย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องข้าวของอะไรต่างๆด้วยแต่ยังรวมถึงการที่พูดจาเอ่อมันฟังเข้าหูกันพูดจาไปในแนวทางเดียวกันพูดรู้เรื่องกันแต่มันก็อยู่กันได้ นี่ก็ที่2เรื่องของการพูจาที่อ่อนหวานให้กันหังนะการที่3ก็คือการประพฤติประโยชน์นะหรือข้อที่4ก็คือการวางตนเสมอกันแตนะ่ถ้าเราดูว่าบริษัทไหนกลุ่มไหนจะเป็นบริษัทที่ทําการค้าบริษัทใหญ่โตขึ้นมานะเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการใน4ระบบนี้แตนะพนักงานในบริษัทก็จะอยู่ได้เย็นใจนะหรือแหวะแหว่กลุ่มเพื่อนกันธรรมดาแตนะ่บางกลุ่มกลุ่มใหญ่แล้วนะเราก็จะเห็นว่าเขาต้องมีคุณธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งสี่ข้อนี้มากกว่าคนที่กลุ่มเล็กมากกว่ากลุ่มบริษัทที่เล็กลงอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะสังเกตเห็นได้นาะมาทำความเข้าใจในแต่ละข้อกันนะว่าไอ้สังคาวัตถุเนี่ยก็คือวัตถุคเครื่องมือแห่งการที่เราจะสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งนะมีอยู่4อย่างในะอย่างแรกคือเรื่องของทานอย่างที่สองคือเรื่องของวาจาที่อ่อนหวานอย่างที่3คือเรื่องของการประพฤติประโยชน์ และอย่างที่สี่เรื่องของการวางตนเสมอกัรเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งในอย่างไรบ้างอันแรกคือเรื่องของทานนะทานคือการให้การบริจาค ก, นะการที่เราให้สิ่งของกับใครคนใดคนหนึ่งในะจุดประสงค์ของการให้ก็แน่นอนในะเพื่อที่จะเกิดบุญในะตรงที่จุดจะเกิดบุญได้ก็คือเพื่อที่จะล้างไอ้เจ้าความทารณีในใจของเราอันนี้ขอ้อ1แต่มันก็จะเป็นบุญเกิดขึ้นของกับผู้ให้ อีกุดปรสหนึ่งก็เพื่อที่จะสงเครานะห์สงเคราะห์ให้เขาได้เกิดประโยชน์จากสิ่งของที่ให้นะซึ่งสองนัยยะนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่เอาอย่างเรื่องของการสงเคราะห์ก่อนในคนที่ขาดแคลนสิ่งใดแต่คนที่ขาดแคลนสิ่งใดแล้วเราให้สิ่งนั้นกับเขาอันนี้คือการให้เป็นลักษณะว่าสงเครานะห์การให้ลักษณะสงเคราะห์นี้เกิดบุญหรือไม่เกิดบุญแน่นอนแต่เนพะราะว่าอยู่ที่ว่าเนื้อนาบุญด้วยจะมามากหรือน้อยก็อยู่ที่เนื้อนาบุญผู้รับด้วยมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่า ตัวผู้ให้เนี่ยมีใจศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมากหรือน้อยแรงอย่างไรและเพราะฉะนั้นการให้ตรงนี้เกิดบุญแน่แต่การให้ในลักษณะสงเคราะห์เนี่ยจะเกิดบุญน้อยกว่าการให้อีกแบบหนึ่งนั่นคือการให้เพื่อที่จะลักความตรรหนีการให้เพื่อที่จะสร้างบุญอยงเช่นว่าเราถวายข้าวของเนี่ยคำพูดที่เขาใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะการให้เพื่อสร้างบุญเขาก็จะพูดในลักษณะว่าเป็นการถวายนะไม่ว่าผู้นั้นจะต้องการรับหรือไม่ รับแล้วจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็จะให้ก็จะถวายในะเช่นพระเจ้าประเสรนิโกโสลเนี่ยถวายของอะไรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วอนะย่างเครื่องประดับอะไรที่เป็นทองคําอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้แน่นอนแต่เพราะว่าความที่จิตตัวเองมีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะก่อนให้ก็มีจิตเลื่อมใสระหว่างให้ก็มีจิตน้อมใบหลังให้แล้วก็ยังปลื้มใจอยู่นะให้กับเนื้อนาบุญ จะให้อะไรคิดอะไรได้เอาจัดให้จัดให้นะไม่ว่าของนั้นควรแจกสมณบริโภคหรือไม่ไม่รู้ให้หมดนะให้หมดพุรธเก็รับบมงอย่างก็ไม่ได้ใช้สิ่งของนั้นเกิดบุญไหมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้เนี่ยรับกันแล้วเนี่ยเกิดบุญแน่นอนเกิดบุญเยอะด้วยเนะืเพราะว่าองค์ประกอบ6อย่างนี้มันครบถ้วนบริบูรณ์เนะี่ผู้รับไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีมิวหะผู้ให้มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังถ้าไม่มีจิตน้อมไปมีจิตเลื่อมใสมีความปลื้มใจ แล้วก็เกิดบุญแน่แต่ของนั้นได้ใช้ไหมบางทีไม่ได้ใช้ด้วยซ้าเนี่ยพูดถึงช้างเป็นยานพาหนะอะไรต่างๆเหล่านี้ภาชนะถาดทองคำํำพวกนี้ก็รับมาแล้วก็จบไปในแต่เกิดบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นการให้ในลักษณะของการสงเคราะห์นั่นก็คือให้แล้วเขาใช้ของนั้นจะแตกต่างกันอยตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นผู้ให้เนี่ยที่จะให้ในลักษณะว่าเป็นสังกะวัตรเนี่ยคือก็ต้องรู้แหละว่าผู้รับเนี่ยเขาต้องการอะไร ในกรณีของหัตกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีเนี่ยเขารู้ว่าบุคคลเนี้ยต้องการของสิ่งนี้เขาก็จัดหามาให้เหมนแต่ละคนมันก็ต้องการของไม่เหมือนกันนะแม้กระเป๋าก็ยังคนซื้อซื้อคนลาแบบในรองเท้าก็ใส่คนละสไตล์แ้วก็ชอบแบบไหนก็จัดสิ่งนั้นมาให้แต่ก็จึงเป็นผู้ที่มีบริวารมากอันนี้คือข้อที่1เรื่องของการให้นะให้ทานซึ่งจะมีความแตกต่างระหว่างการให้เพื่อสงเคราะห์กับการให้เพื่อสร้างบุญ ต่อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนี้ได้บุญแน่นอนนะมากน้อยไม่เท่ากันนะแต่เน้นเรื่องของการให้แล้วได้ใช้นั่นะคือการให้เพื่อสงเครานะห์ให้แล้วเพื่อสร้างบุญใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ไม่เสียไดย้มีสตางค์ให้เต็มที่นั่นะคือการให้เพื่อสร้างสร้างบุญก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งจะแตกต่างกันนิด น, นึงตรงนี้ขาอที่สองคือเรื่องของปนะิยวาจาคือวาจาที่อ่อนหวานแม้คนมันจะอยู่ด้วยกันนะแลนะคำว่าง ด่าเช้าด่าเย็นเช้าก็บน่นเย็นก็บน่นนะ่ยพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเสียหูแสบหูแล้วกันมันอยู่กันไม่รอดหรอกท่า้ฟังเอาไม่ต้องว่าเป็นหลายร้อยคนอ่ะเอาแค่2คนเนี่ยบางทีมันก็ตึงๆกันทั้งวันเนนะีเราก็ต้องรู้จักพูดจาอ่อนหวานเนะี่ยบางเรื่องบางราวเขาทำไม่ถูกต้องอ่ะแม้แต่ถ้าถูาถกด่าถูกว่าบ่อยๆมันก็เครืองเหมือนกันเนะีเราก็รู้จักเวลาที่มันจะพูดที่เหมาะสมเนะีบางเรื่องเนี่ยเอ่อถ้าเราเปลี่ยนการพูดนิดเดียว ในการสนทนาบทสนทนาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้แต่พระเจ้าก็จึงจะเน้นในเรื่องของพื้นฐานพื้นฐานก็เช่นสัมมาวาจานะไม่พูดโกโหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจไม่พูดคำหยาบในลักษณะ4อย่างนี้แต่บางทีเราไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสีดไม่พูดเพ้อเจไม่พูดคำหยาบแต่ฟังแล้วบางทีมันเครืองนะพูดใจจริงๆตรงๆนี่แหละพูดถูกเวลาด้วยนะพูดมีจิตเมตตาด้วยนะแล้วก็พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์บางทีฟังแล้วก็ยังเคือง แต่ตรงนี้จึงเป็นเป็นลนักษณะการพูดที่คนฟังแล้วเขาจะสบายใจนะโดยที่แน่นอนต้องไม่โกหกด้วยนะเพราะฉะนนั้มันก็จะมีศิลปะการพูดที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของสัมมาวาจาอีกไปขึ้นไปอีกนะนี่เป็นมุมมองของข้าพเจ้านะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยถึงแม้เราจะพูดสัมมาวาจาสีข้อนี้ได้บางทีฟังแล้วก็ยังเคืองแตนะ่มันตรงเกินไปมันเสียดแทงเกินไปแตนะมันเป็นลนักษณะที่ว่าขูดกลาวลอกออกแน่นอนละ่ะ ตรงนั้นมันก็จะรู้สึกเคือ ง, องนิดนึงเพราะมันถูกขูดสีนะเป็นลักษณะของตะบะนะเป็นการที่ขูดกิเลสออกนี้ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าบอว่าเรามีการพูดนะในจังหวะที่ถูกต้องนะในลักษณะที่เ้าฟังแล้วนะจะมีความปลื้มใจจะมีความเลื่อมใสอันนี้จะเป็นลักษณะของเปียวาจานะพูดแล้วผูนะฟ้ฟังฟังนะให้มีความสามารถที่จะพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเขาปฏิบัติตามได้ ให้ผู้ฟังเนี่ยเขาโอนอ่อนผ่อนตามได้แต่ซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็มีหลายอย่างเราจะสังเกตเห็นจากการที่พระพุทธเจ้าพูดประการที่พระุทเจ้าตรัสก็มีแต่บางทีไม่อยากจะไปงานเขาแล้วก็จะไม่พูดไม่ไปหรอกก็จะพูดในลักษณะอื่นอย่างเงี้ยเช่นตอนที่เกณิยัลินมานิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปไม่ต้องการไปเพราะว่าอาหารมันจะไม่พอเนื่องจากรู้แล้วว่า ในตอนเย็นเซลาพรามเนี่ยจะพาพวกมาบวชต้องสามร้คนอาหารที่เกนเยสชลินจะเตรียมไว้ไม่พอนังก็ปฏิเสธนะบอกว่าเกนเยสชลินเนี่ยนับถือพรามภิกษุก็มีจํานวนมากผู้แยนี่เกนเยสชลินก็ต้องนิมนต์ถึงรอบที่สามจึงถึงรับด้วยดุสเดียภาพก็เป็นการพูดที่รักษาน้ําใจเขาหน่หนึ่งนะเป็นปิยะวาจาตัวอย่างที่เราหเห็นแล้วก็บางทีในการบอกสอนผู้สอนเนี่ยก็จะไม่ได้บอกนจุดที่ทําผิดก็จะมีการสอบสวน รวจทานข้อมูลให้ดีก่อนแต่แน่นอนปรึกาเนี่ยสามารถทราบข้อที่จริงได้หมดว่าใครถูกใครผิดอะไรต่างๆแต่ก็จะมีการไต่ทวนสอบถามเรื่องราวให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะยืนยันว่าทําหรือไม่ทำํำนะเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยได้มีความคิดพิจารณานะคือใช้หมู่สองนะในการที่จะตัดสินนะในการที่จะระ ง, งับอธิกรณ์พวกนี้กนะ็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ให้คนอื่นมีส่วนร่วมนะในการที่จะพิจารณาความ อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องปิยาวาจา่าแต่บางทีไม่ได้พูดนะจุดตำแหน่งที่เขาทำผิดนะแต่ผ่านมาสักหน่อยหนึ่งอรอให้ใจมันเย็นๆนะมีฮีบริอัตปาเกิดขึ้นในใจแล้วค่อยบอกสอนนะตัวอย่างก็เช่นกับภิกษุที่อยู่ที่ที่วัด น, นิโครธารามกรุงก บ, บิลพัฒนะ์ตอนที่ทำผิดเนี่ยก็ยังไม่บอกตอนนั้นนะแต่ด้วยใช้ความเมตตาใสยความเมตตาให้เข้ามาทีละคนนะจนบุคคลเหล่านั้นมีความมีฮีริอัตปาเกิดขึ้นในใจจิตใจน้อมรับ ที่จะรับคําบอกสอนก็อธิบายให้ฟังทนี้เป็นตัวอย่างของการกระทําปิยาวาจาคือวาจาที่อ่อนหวานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยลักษณะนี้ทาให้ตัวพระองค์นเนี่ยมีบริวารมากไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบัสสิกาเทวดามนุษย์อสูร น, นาคคนท่า น, นเป็นบริวารของพระพาาุทธเจ้าหรือว่าแม้แต่สาวกอื่นอื่นที่มีบริวารมากเช่นหันตกะอุบาสกหรือว่าอุรุเวลากัะสปะนี่เป็นต้น ข้อที่3ามในสังขวัตถุ4นั้นก็คือการที่ประพฤติประโยชน์ในการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นนต่ไม่ใช่ประโยชน์ตัวเองนะประโยชน์แก่ผู้อื่นเราทำประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์เนี่ยเช่นตัวเราเองสร้างตัวเองให้เกิดประโยชน์ขึ้นเช่นเราไปอ่านหนังสือเพิ่มความรู้นไปอบรมให้ประโยชน์แก่ตัวเองะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ในที่นี้ก็คือการประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นพูดง่ายๆคือมีจิตอาสานั่นแหละ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องว่าเออคุณมีจิตอาสาไปช่วยกันทาความสะอาดไปช่วยกันบริการสังคมตรงนี้แหละคือการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นแต่ซึ่งแน่นอนเป็นการสร้างบริวารเป็นการที่ทําให้คนอื่นนั้นได้รับการสงเคราะห์จากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาความสะอาดเรื่องของการเกื้อกูลการติวข้อสอบกันในการที่สอนหมดทําได้หมดทดําหนึ่งให้กันแตะเป็นการสงเคราะห์ประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือแม้แต่ข้าพเจ้าที่ได้มาเทศสอนบอกสร อ, อย่างนี้ แล้วก็เป็นการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นนะชักชวนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในธรรมนะแน่นอนผู้อื่นได้ประโยชน์แล้วก็ทําให้มีบริวารแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านเขียนจดหมายเข้ามาร่วมบริารจาคปัจจัยต่างๆเป็นข้ อ, ขอความทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างแล้วก็เห็นอนนี้ส่งได้ทันทีในคำตอบของผู้เจี่ในข้อที่3คือการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นตรงนี้นอกจากอาจจะเป็นเรื่องของทางกายบางคนอาจจะใช้กําลังปัญญากําลังความคิดก็ได้ ช่วยคิดวิเคราะห์งานออกแบบอะไรต่างๆให้กับสังคมนั่นก็เป็นกําลังปัญญาที่เขาจะฝึกจะทําให้เกิดขึ้นได้การมาเป็นประโยชน์ตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจเลยไปว่าเราจะเป็นกลายเป็นคนใช้เป็นเบยอะไรต่างๆให้กับคนอื่นน่นไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าประพฤติเพียงพอที่จะให้เกิดประโยชน์ในการบุคคลอื่นอยเช่นบางคนช่วยกล่าวสอนบอกสอนความรู้อันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเบยเป็นค่าท่ารับใช้ น่ยจะเป็นการทําเพื่อประโยชน์สังคมก็สอนให้ฟรีบ้างนะจัดหาอาชีพใหนะ้หรือให้ความรู้พวกนี้ก็เป็นการประพฤติประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนข้อที่4ในเรื่องของสังขารวัตถุ4นั้นคือการมีตนเสมอกันในะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสมานะตตาแต่การมีตนเสมอกันนี้ไม่ใช่ว่าไปตีเสมอกันว่าฉันเสมอกับเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งเนะช่นบางทีคนขับรถนะจะประพฤติสังขาวัตถุสในข้อที่4นี่กับหัวหน้า หัวหน้าเข้ามาในรถฉันขับรถให้ตีตนเสมอกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความสมานณตตาความทําถูกหน้าที่ความที่มีตนเสมอกันการมีตนเสมอกันเนี่ยคือหมายความว่าเราวางตัวเราให้เสมอกับหน้าที่ที่เราเป็นนั่นเองวางตัวให้เสมอถูกต้องกับหน้าที่ที่เรามีอยู่เป็นอยู่เช่นถ้าเป็นคนขับรถเราจะต้องการที่จะสงเคราะห์หัวหน้าเราด้วยข้อนี้สมานณตา คุณก er we ็ปฏ so ิบัติตามหน้าที่ของคุณอย่างดีในหน้าที่ในความเป็นลูกน้องหน้าที่ในกวามเป็นคนขับรถในอย่างดีก็ชื่อว่าสงเคราะนุหน้าล่ะบางทีเราอาจจะซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆของที่ภรรยาทำอะไรทําเรามาสงเคราะนุหน้าเราก็ได้นก็เรียกว่าเป็นการให้ทานอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเจ้าอ่อนหวานทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องกระทํากับหัวหน้าได้หัวหน้าก็ทํากับเพื่อนร่วมงานได้เพื่อนร่วมงานทํากันเองก็ได้แลูกจะทํากับแม่แม่จะทํากับลูกได้หมด นนะสีอย่างนี้นั่นะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ใหญ่กว่าทํากับผู้ที่เล็กกว่าแต่แนมะ้แต่ผู้ที่เล็กกว่าเราก็ยังทํากับผู้ที่ใหญ่กว่าได้คนจนบางทีมีข้าวของบรงอย่างแตนะ่ที่เศรษฐีเขาเขาไม่มีนะเช่นอาหารการกินบางทีคุณทําได้ผลิตได้แล้วนะคุณเอาไปฝากเศรษฐีเราก็ได้เหมือนกันเป็นการสงเคราะห์ด้วยการให้ฐานนั่นเะปยบวาจานี้ทําได้อยู่แล้วในะการที่ประพฤติประโยชน์นะแต่และคนมีความสามารถไม่เท่ากันท่านะผู้ฟัง เพราะนั้นการที่เราจ ะ, ะพติประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นช่องทางช่องว่างให้เราทําได้แน่นอนในอยู่ที่เรามีจิตอาสาไหมมีจิตในการที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นในข้อนี้หรือไม่แล้วการที่เราวางตนให้ถูกต้องตามหน้าที่นนในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผู้ที่เป็นคารวาสจะวางตนกับสมณะอย่างไรทําอยู่ในหน้าที่นั้นก็ชื่อว่าสงเคราะห์สมณะเนี่ยด้วยสังกัดวัตถุในข้อที่4สมณะตะติในสมณะจะวางตนกับคารวาสหรือสมณะด้วยกันอย่างไร เขาชื่อว่าสงเคราะห์ผู้ที่เป็นคารวาสงเคราะห์เพื่อนผู้บริวุธประปรมาจันด้วยสมานตตาด้วยการสงเคราะห์ในข้อที่4ตรงนี้บุคคลที่ทํา4อย่างนี้นั้นท่านฟังเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีบริวารมากนะี่บริวารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงลูกน้องนะแต่ว่ามีเพื่อนฝูงมากเนะ่มีคนที่รู้จักมากเป็นที่นับหน้าถือตามากมีเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนะี่พอที่จะพึ่งได้ช่วยเหลือได้แลนะคอยป้องกันความประมาทให้เรา และถ้าเรามีเพื่อ น, นที่เราสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึงนะว่าบางทีเพื่อนที่เราสงเคราะห์ด้วยลักษณะ4อย่างเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะนะคือการที่เรามีกัลยาณมิตรก็เป็นส่วนหนึ่งนะการที่เรามีมิตรชั่วก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เราจะสงเคราะห์ผู้อื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วต้องควรทํา4อย่างนี้นะตอนี้พอเราสงเคราะห์แล้วก็ อ, อาจจะมาเป็นบริวารเรา เรก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วอันนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันไปซึ่งแน่นอนละ่ะการที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนไหนแตนะ่ซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปพูดกับคนพาลนะการไม่พูดกับคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะ้นถามว่าคนพาลควรได้รับการสงเคราะห์ใน4เรื่องนี้หรือไม่แตนะ่ก็ต้องกลับมาดูพุทธพจน์ตรงจุดที่ว่าคนพาลเนี่ยควรจะได้รับการกีดกันด้วยความอดทนแต่เพราะเราควรจะอดทนใส่คนพาลดีกว่านะที่จะไปสงเคราะห์เขาด้วย สังเกวัตถุ4นี้แตนะ่ถ้าเราอดทนแล้ก็ชื่อว่าเรารักษาตัวเองด้วยนะรักษาผู้นั้นด้วยเพื่อเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันมันก็จะมาตรงกับข้อที่3ามนะว่าเราทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองทําประโยชน์ให้กับตัวเขาแต่ในรูปแบบลักษณะที่คนละอันคนละแบบกันกับการที่เราจะทํากับคนดีใช่ไหมคนดีเราก็ทําอีกแบบหนึ่งคนชั่วเราก็ทําอีกแบบหนึ่งนะซึ่งจะเป็นทําด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของสังเกตวัตถุ4ี่อย่างที่ว่า ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังจําได้ในะเข้าไปในสมองโอเคดีมากเลยแล้วก็ทําให้เกิดความรู้อันยิ่งเข้าไปในใจแตเข้าไปในใจแล้วปากเราก็ขยับตามเป็นปิยาวาจาออกมานาะมือเราก็ขยับตามเป็นการให้ทานเป็นการบําเพ็ญประโยชน์นาะใจเราหนาะตั้งอยู่ให้ถูกในลักษณะที่เราควรจะต้องปฏิบัติกับผู้นี้อย่างไรอย่างไรหนาะก็ชื่อว่าเรามีความรู้อันยิ่งความรู้ในเรื่องสังขาวัตถุสีนี้จะไม่เป็นงูบิด แต่เธจะไม่เอาความรู้นี้ไปทิ่มแทงคนอื่นเธอทําฉันไม่ได้ทําฉันทําเธอไม่ได้ทําจะไม่มีแล้วเราก็จะดูจิตของเรารู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะ่ะทำประโยชน์มีบริวารน่นะผู้อื่นได้รับการสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคนผานก็ตามคนดีก็ตามเราก็ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญณภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเพราะันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญมบาน